ศา尼วิทยุครอบครัวข่าวสตรอยเฟมร้อยหกข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาพี่ปุญโนจางวัดป่าดอนยโศกนำเรื่องราวที่เป็นในทางคาสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยเตือนสติพวกเราทั้งหลายให้อยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าความเคลิบเคลิ้มเลิดเบลนที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยบางทีมันทาให้เราประมาทไปอยู่ในช่วงต้น ช่วงกลางช่วงปลายเป็นเวลาที่เราไม่ควรประมาทตะบูฟังเพราะว่าเวลามันก็หมดไปตีละรอบตีละรอบหมดไปแล้วก็เรียกคืนไม่ได้ด้วยวัยต้นวัยกลางผ่านไปผ่านไปเราไม่สามารถกลับเป็นเด็กอีกได้เราแก่แล้วก็กลับเป็นคนหนุ่มอีกไม่ได้แต่ในเมื่อวัยที่มันผ่านไปเปลี่ยนแป ล, ปลไปงไปตรงนี้ละ่จะจึงเป็นสิ่งที่รพระพุทธเจ้าเมื่อกล่อยเตือนคอยบอกอยู่เสมอว่าอย่าประมาท ได้เคยเตือนเรื่องนี้เอาไว้ดัมูวังกับโพธิราชจุกุมารโพธิราชจุกุมาร น, นี้เขาก็มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งได้สร้างปราสาทแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาในงานฉลองปราสาทของตัวเองเรามาฟังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเตือนโพธิราชจุกุมารในเรื่องของความไม่ประมาทกันดังได้สดับมาโพธิราชจุกุมาร รับสั่งให้สร้างปราสาทชื่อโกกะนุทะมีรูปทรงไม่เหมือนปราสาทอื่นๆบนพื้นแผ่นดินพานดังลอยอยู่ในอากาศแล้วได้ตรัสถามนายช่างว่าปราสาทที่มีรูปทรงอย่างนี้เธอเคยสร้างในที่อื่นบ้างแล้วหรือหรือว่านี้เป็นศิลปะครั้งแรกของเธอทีเดียว เมื่อเขาตูลว่าข้าแต่สมุติเทพนี้เป็นศิลปะครั้งแรกทีเดียวเท้าเธอจึงมีความคิดว่าถ้าไหนช่างผู้นี้จะสร้างปราสาทมีรูปทรงอย่างนี้แม้แก่คนอื่นใซประสาทนี้ก็จะไม่น่าสะใจการที่เราฆ่านายช่างนี้เสียตัดมือและเท้าของเขาหรือควักในตาทั้งสองเสีย ย่อมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะสร้างประสาทแก่คนอื่นไม่ได้ดังนี้แล้ ว, ลวเขาเจอได้ตรัสบอกความนั้นแกมานพน้อยบุตรของสันชีวกะผู้เป็นสายรักของตนตอนนายช่างต่ำนกกรุตขี่หนีไ่มานพน้อยนั้นคิดว่าพระชุกุมารพระองค์นี้ จะผลานนายช่างให้ชิปหายอย่าไม่ต้องสงสัยคนผู้มีศิลปะเป็นผู้หาค่าไม่ได้เมื่อเรายังมีอยู่เขาจงยาชิบหายเราจะให้สัญญาแก่เขามานอบน้อยนั้นเข้าไปหานายช่างแล้วตามว่าการงานของท่านที่ประสาทสำเร็จแล้วหรือยังก็เมื่อนายช่างบอกว่าสำเร็จแล้วเขาจึงกล่าวว่า พระราชกุมารมีประสงค์จะผลานท่านให้ชิปหายเพราะฉะนั้นท่านบึงรักษาตนให้ดีนายช่างจึงกล่าวว่านายท่านบอกความนั้นแก่ข้าพเจ้าทำรมอันงามแล้วข้าพเจ้าจะทราบกิจที่ควรทำในเรื่องนี้ดังนี้แล้วนายช่างนั้นอันพระราชกุมารตรัสตามว่าการงานในประสาทสำเร็จแล้วหรือ จึงได้ทูลกับโพธิราชจุกมานว่าข้าแต่สมุติเทพการงานที่ประสาทยังไม่สําเร็จก่อนยังเหลืออีกมากราชจุกมารชื่อว่าการงานอะไรยังเหลือนายช่างข้าแต่สมุทิเทพข้าพระองค์จะทูลให้ทราบในภายหลังขอพระองค์จงตรัสสั่งให้ใครๆขนไม้มาก่อนเถิดราชจุกรมารจะให้ขนไม้ชนิดไหนมาเล่า นายช่างเอาไม้แห้งหาแก่นไม่ได้พระชก้าสาวเจอถึงได้รับสั่งให้ขนมาให้แล้วลำดับนั้นนายช่างตูนพระราจุกุ ม, มารนั้นว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพจำเดิมแต่นี้พระองค์ไม่พึงเสด็จมาสำนักของหม่อมฉันเพราะเมื่อหม่อมฉันทำงานที่ละเอียดอยู่เมื่อมีการสนทนากับคนอื่นความฟุ้งซ่านก็จะมี หนึงเวลารับประทานอาหารภรยาของข้าพระองค์เท่านั้นจะนาอาหารมาพระราชกุมารทรงรับคำแล้วฝ่ายนายช่างนั่งถากไม้เหล่านั้นอยู่ในห้องห้องหนึ่งทาเป็นนกครุฑกวนที่บุตรภรยาของตนนั่งภายในได้ในเวลารับประทานอาหารจึงสั่งภรยาว่า หล่อนจงขายของทุกสิ่งอันมีอยู่ในเรือนแล้วรับเอาเงินและทองเอาไว้ฝ่ายพระจุกมุมารก็รับสั่งให้ล้อมเรือนไว้ทรงจัดตั้งการรักษาเพื่อประโยชน์จะไม่ให้นายช่างออกไปได้แม้นายช่างในเวลาที่นกรุษสำเร็จแล้วสั่งปริยาว่าวันนี้หล่อนพึงพาเด็กแม้ทั้งหมดมา เขารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วให้บุตรและภรรยานั่งในท้องนกออกทางหน้าต่างหลบหนีไปแล้วเมื่อพวกอารักาเหล่านั้นพิไรรำพันทูลว่าขอเดชะสมุติเทพนายช่างหลบหนีไปได้ดังนี้อยู่นั่นแหละนายช่างนั้นก็ไปลงที่หิมมวันตะประเทศสร้างนครขึ้นนกกร์หนึ่ง ได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่ากันตะวาหนะในนครนั้นตอนพระศาสดาไม่ทรงเยียบร่าที่ลาดไว้ฝ่ายพระราชกุมารทรงนำบริว่าเราจะทำการฉลองประสาทจึงตรัสสั่งให้นิมนต์พระศาสดาทรงทำการประพรมในประสาทด้วยของหอม ที่ผสมกันสี่อย่างทรงลาดแผ่นผ้าน้อยตั้งแต่ทรณีประตูแรกได้ยินว่าเท้าเธอไม่มีพระโอรสเพราะฉะนั้นจึงทรงดรําริว่าถ้าเราจะได้บุตรหรือทิดาใช้พระาศาสดาจะทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้แล้วจึงทรงลาดท้าเธอเมื่อพระาศาสดาเสด็จมา สบายบังกมพระาศาสดาด้วยเบญจางค่าประดิษฐ์แล้วรับบาทแล้วได้กราบทูลว่าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิพระชก้าพระาศาสดาไม่เสด็จเข้าไปแตาวเธอส่งอ้อนวอนถึงสองถึงสครั้งพระาศาสดาก็ยังไม่เสด็จเข้าไปพระาศาสดาได้ทรงแลดูท่านพระอ น, นุน พระอนุนเทระทราบความที่ไม่ทรงเหยียบผ้าทั้งหลายด้วยสัญญาณที่พระองค์ทรงแลดูนั่นเองจึงทูลให้พระราชจุ ก, กุมารเก็บผ้าทั้งหลายเสียด้วยคาว่าพระราชุกุมารขอพระองค์ทรงเก็บผ้าทั้งหลายเสียเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าเพราะพระต ถ, ถาคตทรงเล็งดูหมู่ชน ผู้เกิดในภายหลังตอนพระศาสดาตรัสเหตุที่ไม่ส่งเหยียบผ้าเท้าเธอส่งเก็บผ้าทั้งหลายแล้วทูลอาราธนาพระศาสดาให้เสด็จเข้าไปภายในส่งเลี้ยงดูให้อิ่ม้ํำด้วยยากูและกองเคียวแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งถาวายบังคมแล้วทูลว่า แค่แต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเป็นอุปัฏถากของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งสามครั้งแล้วคือนัยะว่าข้าพระองค์อยู่ในท้องถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองในเวลาที่หม่อมฉันเป็นเด็กรุ่นหนุม่มแม้ครั้งที่สในการที่หม่อมฉันถึงความเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่ว พระองค์ไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้า น, น้อยของหม่อมฉันนั้นเพราะเหตุอะไรพระเจ้าขาพระศาสดาราชกุมารก็พระองค์ทรงดำริอย่างไรจึงลาดแผ่นผ้าน้อยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดดังนี้ว่าถ้าเราจะได้บุตรหรือที่ดา่าไซพระศาสดาจะทรงเหยียบแผ่นผ้า น, น้อยของเราแล้วจึงลาดแผ่นผ้าน้อย ราชกุมารพระเหตุนั้นอารมภาพจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยแค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมฉันจะไม่ได้บุตรหรือธิดาเลยทีเดียวหรืออย่างนั้นราชกุมารข้อนั้นพระเหตุไรพระชก้าเพราะความที่พระองค์กับพระชายาเป็นผู้ถึงความประมาทแล้วในอัตภาพก่อนในการไหนพระชก้า ตอนบุรุพกรรมของโพธิราชุกุมารลำดับนั้นพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแสดงแด่พระราชุกุมา น, นั้นว่าในอดีตการมนุษย์หลายร้อยคนเล่นเรือลำใหญ่ไปสู่มหาสมุทรเรือเกิดอับปางในกลางมหาสมุทรสองสามีภรรยา ว้าได้แผ่นกระดานแผ่นหนึ่งอาศัยว่ายเข้าไปสู่เกาะน้อยอันมีในระหว่างมนุษย์ที่เหลือทั้งหมดตายในมหาสมุทรนั้นนั่นแหละก็หมูนกเป็นนันมากอยู่ที่เกาะนั้นแหละเขาทั้งสองไม่เห็นสิ่งอื่นที่กวรกินได้ถูกความหิวครอบงำแล้วจึงเผาฟองไข่นกทั้งหลาย ที่านเพลิงแล้วเกี่ยวกินเมื่อฟองไก่นกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับลูกนกทั้งหลายปิ้งกินเมื่อลูกนกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับนกทั้งหลายปิ้งกินในปตมไวก็ดีมัดจิมมะไวก็ดีปัดชิมมะไวก็ดีได้เกี่ยวกินอย่างนี้แหละแม้ในวัยหนึ่งก็ไม่ได้มีความไม่ประมาท นหนึ่งบรรดาชนสองคนนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่ได้มีความไม่ประมาทตอนพึงรักษาตนไว้ให้ดีในวัยทั้งสามพระาศาสดาครั้นทรงสแสดงบุรพรกรรมของโพธิราชจุกม น, นั้นแล้วตรัสว่าราชจุกมนันก็ในการนั้นถ้าโปร่งกับภรรยา จะมีความไม่ประมาทแม้ในวัยหนึ่งไสบุตรหรือทิดาพึงเกิดขึ้นแม้ในวัยหนึ่งก็ตาบันดาท่านทั้งสองแม้คนหนึ่งจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วบุตรหรือทิดาจะอาศัยผู้ไม่ประมาทนั้นเกิดขึ้นราชกุจจมารก็บุคคลเมื่อสำคัญตนอยู่ว่าเป็นที่รักพึงไม่ประมาท รักษาตนแมในวัยทั้งสามเมื่อไม่อาจรักษาได้อย่างนั้นพึงรักษาให้ได้แม้ในหวัยหนึ่งเห น, นี้แล้วที่ได้ตรัสประกาศนี้ว่าอาตาญเจปียงชัญญาราเกยยะนังสุรักีตังตินังอัญญะตรังยามังปฏิชักเกยยะปันธิโตแปลว่า แต่บุคคลทราบว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาด้วยดีบัณฑิตปึงประครับประกองตนตลอดยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งตอนแก้อัดบรรดาคาเหล่านั้นคำว่ายามังแปลว่ายามนี้พระศาสดาทรงแสดงทาไวทั้งสามไวใดไวหนึ่ง ให้ชื่อว่ายามเพราะความที่พระองค์เป็นใหญ่ในธรรมและเพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในเทศนาวิธีประเหตุนั้นในประกาานี้บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลทราบว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนให้เป็นอันรักษาดีแล้วคือพึงรักษาตนนั้น โดยประการที่ตนเป็นอันรักษาดีแล้วบรรดาชนผู้รักษาตนเหล่านั้นถ้าผู้เป็นเครือดัดคิดว่าจะรักษาตนดังนี้แล้วเข้าไปสู่ห้องที่เขาปิดไว้เรียบร้อยเป็นผู้มีอาราขาสมบูรณ์อยู่บนพื้นปราสาทชั้นบนก็ดีหรือผู้เป็นบรรพชิตอยู่ในถ้าอันปิดเรียบร้อย มีประตูและหน้าต่างอันปิดแล้วก็ดียังไม่ชื่อว่ารักษาตนเลยแต่ผู้เป็นเครือขัดําบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นตามกำลังอยู่หรือผู้เป็นบรรพชิตถึงความขวนขวายในวัดปฏิบัติปริยัติและมณสิการอยู่ชื่อว่าย่อมรักษาตนบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อไม่อาจทำอย่างนั้นในสามวัยต้องประคับประกองตนไว้แม้ในวัยใดยวัยหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็ถ้าผู้เป็นเครือขัดไม่อาจทำกุศลในปฐมวัยประการเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในการเล่นไสในมัชิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเป็นกุศลถ้าในมัชิมวัย ยังต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาไม่อาจบำเพ็ญกุศลได้ไซในปัจจิมวัยพึงบำเพ็ญกุศลให้ได้ด้วยอาการแม้อย่างนี้ตนต้องเป็นอันเก่าประกับประกองแล้วทีเดียวแต่เมื่อเขาไม่าำอย่างนั้นตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นที่รักผู้นั้นเท่ากับทาตนนั้นให้มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทีเดียว ก็ทว่าบรรพชิตในปตมวัยทำการสาธยาอยู่ทรงจำบอก ร, รมวัดและปฏิบัติอยู่ชื่อว่าถึงความประมาทในมัชชิมะวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบาเพ็ญสมณธรรมอันหนึง่งถ้ายังสอบถามอัตตาและมินิชัยและเหตุแห่งพระปริยัติ น้นตนเรียนแล้วในปตมวัยอยู่ชื่อว่าถึงความประมาทในมัชชิมวัยในปจิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมด้วยอาการแม้อย่างนี้ตนย่อมเป็นอันบนรรพชิตนั้นประคับประกองแล้วทีเดียวแต่เมื่อไม่ทำอย่างนั้นตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นที่รักบรรพชิตนั้นเท่ากับ ทำตนนั้นให้เดือดร้อนด้วยการตามเดือะร้อนในภายหลังแหล่ในการจบเทศนาโพธิราชกุมารตั้งอยู่ในโซดาปฏิปนแล้วเรื่องโพธิราชกุมารจบและวิธีการที่เราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตั้ฟังหนึ่งในห ล, ลายๆวิธีการนั้นก็คือการที่พิจารณาในกายของเรานี่แหละว่ากายของเรานั้นมันมี ความเป็นของไม่สวยงามมีความเป็นของเน่าเปื่อยปูพังไปซึ่งลักษณะการพิจรนารณาในลักษณะนี้ได้เคยสอนอาไว้อยู่ในห ล, หลายๆลที่ในเรื่องราวหนึ่งที่ได้เคยปรารถบอกสอนอาไว้ก็บอกสอนอไว้กับพระนางรูปะนันตาเตรีซึ่งตาปูประชาชาวบ้านก็คือเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระพุทธเจ้าของเราซึ่งพระนางรูปะนันตา น, นี้ก็ได้ออกบวชแต่ว่า ไม่ได้ออกบวช ด, ด้วยความศรัทธาอะไรออกบวชเพราะว่า ด, ด้วยการที่เห็นว่าญาติต่างๆเขาก็บวชการตัวเองก็เลยก็บวช ด, ด้วยสำหรามาฟังเรื่องราวของนางรูปานันตาเทรีที่พระพุทธเจ้าได้บอกอุบายถึงการพิจารณากายนี่ก็เป็นอุบายหนึ่งในการที่จะทําให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้และนี่เป็นเรื่องที่สอนที่จะให้ได้ฟังในวันนี้แล้วก็จะขอจบรายการไปเลย เรื่องของพระนางรูปานันตาเตรีได้ยินว่าวันหนึ่งพระนางรูปานันทานั้นทรงมีความดำริว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราสละสิริราชสมบัติออกบันวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้อัครบุคคลในโลกแม้โอรสของพระองค์ทรงพระนามว่าราหุลกุมารก็บันว์แล้ว แม้เจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ประนุดแล้วแม้พระมารดาของเราก็ส่งปรนุดแล้วเมื่อคณะพระญาติมีประมาณเท่านี้ส่งประนุดแล้วแม้เราจะทำอะไรในเรือนเราจะประนุดบ้างนองนี้แล้วพระนางก็เสด็จ้าไปสู่สำนักภิกษุณีทั้งหลายแล้วส่งประนุดพระนางส่งประนุด พระเสนหาในประญาติเท่านั้นหาใช่พระศัทธาไม่แต่พระพระนางเป็นผู้มีพระโฉมอันวิไลจึงปรากฏพระนามว่ารูปนันตาพระนางได้สดับว่าได้ยินว่าพระาศาสดาตรัสว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุก เป็นนัตตาดังนี้แล้วพระนางจึงไม่เสด็จไปประเชิญพระพักพระศาสดาโดยเกรงว่าพระศาสดาจะบึงตรัสโทษในรูปแม้ของเราซึ่งน่าดูน่าเลื่อมใสอย่างนี้ตอนชาวนครนิยมฟังธรรมชาวรนครชาววถีถวายทานแต่เช้าตรู่ สมาทานอุโบสถแล้วห่มผ้าสะอาดมีมือถือของหอมแล้วระเบียบดอกไม้เป็นต้นในเวลาเย็นประชุมกันฟังธรรมในพระเชตวันแม้ภิกษุณีสงฆ์ผู้เกิดชันทะในพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเขาย่อมไปวิหารฟังธรรมชาวพระนกรสาวกทีเหล่านั้นครั้นฟังธรรมมแล้ว เมื่อเข้าไปสู่พลันตะกอก็กล่าวแต่คุณกถาของพระศาสดาเท่านั้นเข้าไปตอนความเลื่อมใสของบุคคลสี่จำพวกจึงอยู่จำพวกสัตว์ในโลกสศนิวาสซึ่งมีประมาณสี่จำพวกที่เห็นประตถาคตอยู่ไม่เกิดความเลื่อมใสมีจํานวนน้อยนักด้วยว่าจำพวกสัตว์ ที่เป็นรูปปรมาณิกาคือถือรูปเป็นประมาณเห็นพระสรีระของพระตถาคตอันประดับแล้วด้วยพระลักษณะและอนุเพยชนะมีพระชวีวันดุจทองคำย่อมเลื่อมใสชนพวกโคศัพปรมาณิกาคือถือเสียงเป็นประมาณฟังเสียงประกาศพระคุณของพระศาสดา เสืงอาศัยเป็นไปแล้วทั้งหลายร้อยชาติและเสียงประกาศพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมเลื่อมใสแม้จำพวกลูกขับประมาณิกาคือถือการปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณอาศัยความที่พระองค์เป็นผู้เศร้าหมองด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นย่อมเลื่อมใสแม้จำพวก รรมประมาณิกาคือถือทมเป็นประมาณก็ยอมเลื่อมใส่ว่าศีลของพระทศพลเห็นป่านนี้สมาที่เห็นป่านนี้ปัญญาเห็นป่านนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าหาผู้เสมอไม่ได้ไม่มีผู้เสมอเท่าหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ไม่มีผู้ทัดเทียมด้วยกุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น เมื่อชนเหล่านั้นพัรธนาคุณของพระตถาคตอยู่ปากไม่เพียงพอตอนพระนางรูปะนันทาเตรีทรงเข้าเฝ้าสดับธรรมพระนางรูปานันทาได้สดับย์คำพรนธนาคุณของพระตถาคตจากสนักพวกภิกษุณีและพวกอุบาสิกาจึงทรงดำริว่า ชนทั้งหลายย่อมกล่าวชมเจ้าพี่ของเรานักหนาทีเดียวแม้ในวันหนึ่งพระองค์เมื่อจะตรัสโทษในรูปของเราจะตรัสได้สักเท่าไรถ้าใครเราพึงไปกับพวกภิกษุณีไม่แสดงตนเลยเฝ้าพระตถาคตฟังธรรมแล้วพึงมาพระนางจึงตรัสบอกแก่พวกภิกษุณีว่าวันนี้จะไปสู่ที่ฟังธรรม พวกพิกษณีมีใจยินดีว่านานหนักหนาการที่พระนางรูปะนันทาทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระศาสดาเกิดขึ้นแล้ววันนี้พระศาสดาทรงอาศัยพระนางรูปะนันทา น, นี้แล้วจะทรงแสดงพระธรรมรเทศนาอันวิจิตเหนนี้แล้วก็พาพระนางออกไปตั้งแต่เวลาที่ออกไป พระนางทรงดำริว่าเราจะไม่แสดงตนเลยพระศาสดาทรงดำริว่าวันนี้รูปป่านันทาจะมาที่บำรุงของเราธรรมเทศนาเช่นไรน์เนาจะเป็นที่สบายของเธอทงทําความตกลงพระไถ่บ่ารูปป่านันทานั้นหนักในรูปมีความเยื่อใหญ่ในอัตภาพอย่างรุนแรง กหรบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั่นแหละจะเป็นที่สบายของเธอดุดการบ่งน้ำด้วยน้ำฉะนั้นก็ในเวลาที่พระนางเข้าไปสู่วิหารพระผู้มีพระภาคจึงทรงเดรมิตหญิงมีรูปสวยปริง้งผู้หนึ่งอายุราว16กปีนุ่งผ้าแดงประดับด้วยอาพรทุกอย่างถือพัด ยืนถวายงานพัดอยู่ในที่ใกล้พระองค์ด้วยกำลังประริ์ก็แลพระศาสดาและพระนางรู ป, ปะนันตาเท่านั้นทรงเห็นรูปหญิงนั้นพระนางเสด็จเข้าไปวิหารพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลายทรงยืนข้างหลังพวกภิกษุณีถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางข้าประดิษฐ์นั่งในระหว่างพวกภิกษุณี ทรงแลดูพระาศาสดาตั้งแต่พระบาททรงเห็นพระสตรีรักของพระาศาสดาวิจิตแล้วด้วยพระลักษณะรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะอันพระรัศมีวาหนึ่งแวดล้อมแล้วทรงแลดูพระพักอันมีสริดุดพระจันเพนได้ทรงเห็นรูปหญิงยืนอยู่ในที่ใกล้แล้วพระนาง ทรงแลดูหญิงนั้นแล้วทรงแลดูอัตภาพของตนรู้สึกว่าตนเหมือนนางกาซึ่งอยู่ข้างหน้านางพระยาหงทองก็จำเดิมแต่เวลาที่พระนางทรงเห็นรูปอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิเดียวพระเนตรทั้งสองของพระนางก็วิงเวียนพระนางมีจิตถูกสิริโฉมแห่งส่วนสรีระทั้งหมด ดึงดูดไปแล้วว่าโอ้ผมของหญิงนี้ก็งามหน้าผากก็งามดังนี้ได้มีสเสน่หาในรูปนั้นยัางรุนแรงพระศาสดาทรงทราบความยินดีอย่างสุดซึ้งในรูปนั้นของพระนางเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงทรงแสดงรูปนั้นให้ล่วงภาวะของผู้มีอายุสิบกปี คือมีอายุราวยี่สิปีพระนางรูปานันธาได้ทอบพระเนตรมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้ไม่เหมือนรูปก่อนเนอะพระาศาสดาทรงแสดงความแปลเปลี่ยนวัยของหญิงนั้นโดยลำดับคือวัยหญิงคลอดบุตรครั้งเดียววัยหญิงกลางคนวัยหญิงแก่วัยหญิงแก่คร่ำคร่าแล้วพระชรา แม้พระนางก็ทรงเบื่อหน่ายรูปนั้นในเวลาที่สุดโสมพระชราโดยลำดับเหมือนกันว่าโอ้รูปนี้หายไปแล้วหายไปแล้วกันทรงเห็นรูปนั้นมีฟันหักผมงอกหลังโกง่งมีซี่โครงขึ้นดุดกรอนมีไม้เท้าหยันข้างหน้างดเงนอยู่ก็ทรงเบื่อหน่ายเหลือเกิน แต่แบบนั้นพระศาสดาทรงแสดงรูปหญิงนั้นให้เป็นรูปอันประยาที่คราบงามในขณาด น, นั้นเองหญิงนั้นทิ้งไม้เทา้าและพัดใบาตานร้องเสียงกลมลมลงที่ภาคพื้นจมลงในมูดและกรีดคืออุจระและปัสวะของตนกลิ้งเกลือกไปมา ระนารูปานันทาทรงเห็นหญิงนั้นแล้วทรงเบื่อหน่ายเต็มที่พระศาสดาทรงแสดงมรณะของหญิงนั้นแล้วหญิงนั้นถึงความเป็นศพพองขึ้นในขณะนั้นเองสายแห่งหนองและหมูหนอนไหลออกจากปากแผลทั้งเก้าฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นรุมแย่งกันกินแล้ว พระนางรูปนานันทาทรงพิจรารณาซากศพนั้นแล้วทรงเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงว่าหญิงนี้ถึงความแก่ถึงความเจ็บถึงความตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจะมาถึงแก่อัตภาพแม้นี้อย่างนั้นเหมือนกันและเพราะความที่อัตภาพเป็นสภาพอันพระนางทรงเห็นแล้ว โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงนั่นแลอันภาพนั้นจึงเป็นอันทรงเห็นแล้วโดยความเป็นทุก์โดยความเป็นนันตาที่เดียวลำดับนั้นพบทั้งสปรากฏแก่พระนางดุดถูกไฟเผาหล่นแล้วและดุดซากศพอันเขาผูกไว้ที่พระสอจิตมุ่งตรงต่อการรมฐานแล้ว พระศาสดาทรงทราบว่าพระนางทรงคิดเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงแล้วจึงทรงพิจารณาดูว่าพระนางจะสามารถทำที่พึ่งแก่ตนได้เองทีเดียวหรือไม่หนอแลพิจารณาดูว่าพระนางจะสามารถทำที่พึ่งแก่ตนได้เองทีเดียวหรือไม่เนอแลทรงแลเห็นว่าจะไม่อาจ การที่พระนางได้ปัจจัยภายนอกเสียก่อนจึงจะเหมาะดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมด้วยอำนาจธรรมะเป็นที่สบายแก่พระนางจึงได้ตรัสพระกถานิว่านันทาเธอจงดูกายอันกำยุกขึ้นอันอาดูนไม่สะอาดเน่าเปื่อยไหลออกอยู่ข้างบนไหลออกอยู่ข้างล่าง ที่พาละชนทั้งหลายปรารถนากันนักสรีระของเธอนี้ฉั้นใดสรีระของหญิงนั่นก็ฉันนั้นสรีระของหญิงนั่นฉันใดสรีระของเธอนี้ก็ฉันนั้นเธอจงเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นของศูนอย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเธอคลี่คลายความพอใจในภพเสียแล้ว จะเป็นบุคคลผู้สงบเที่ยวไปสาบาพระผู้มีพระภาคได้ทรงปราลบพระนางนันทาภิกษุณีได้ตรัสพระกาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลพระนางนันทาทรงส่งยานไปตามกระแสเทศนาบรรลุโซดาปฏิปนแล้วตอนพระาศาสดาทรงแสดงวิปัสนา ลำดับนั้นพระศาสดาเพื่อจะตรัสสุญญะตกรรมฐานเพื่อต้องการอบรมวิปัสนาเพื่อมักผลทั้งสามยิ่งขึ้นไปแก่พระนางจึงตรัสว่านันทาเธออย่าทำความเข้าใจว่าสาระในสรีระนี้มีอยู่พระสาระในสรีระนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มี สรีระอันกรรมยกกระดูกสามร้อยท่อนขึ้นสร้างให้เป็นนคกรแห่งกระดูกทั้งหลายเดันวนี้แล้วก็ได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าอัตถีนังนักกรังกระตังมังสะโลหิตะเลปนังยะทะชร า, าจะมัจจุจะมาโนมัคโคจะโอหิโตแปลว่าสรีระ อันกรรมทําให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายชาบแล้วด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งลงแห่งชราบรณะมานะและมักขะเนื้อกาแห่งพระกรตา น, นั้นว่าเหมือนอย่างว่าส่วนทั้งหลายให้ยกไม้ทั้งหลายขึ้นเป็นโครงเอาเถาวันปลูกแล้วชาบด้วยดินเหนียว ทำให้เป็นเรือนภายนอกกล่าวคือนกขอนเพื่อประโยชน์แก่การตั้งบุพพภัณชาติและอปรณชาติเป็นต้นลงจันใดแม้สรีระนี้ที่เป็นไปในภายในก็ฉะนั้นอันกรรอยังกระดูกสามร้อยท่อนให้ยกขึ้นแล้วทำให้เป็นนกขอนอันเส้นเอ็นเรืองรัดแล้ว ชาบทาด้วยเนื้อและโลหิตอุ้มห่อด้วยหนังเพื่อประโยชน์แก่การตั้งลงแห่งชราในการจบเทศนาพระนางรูปะนันตาเตรีได้บรรลุพระรัตผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้วหนังนี้แหลเรื่องพระนางรูปะนันตาเตรี